ธรรมบทแปลเรื่องที่สี่เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษณีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านหะิเวเรนเวรานิเป็นต้นตอน มานดาหาภรรยาให้บุตรดังได้สดับมาบุตรกุดุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทํากาละแล้วทาการงานทั้งปวงทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองปฏิบัติมานดาอยู่ต่อมามานดาได้บอกแก่เขา ว, ว่าพ่อแม่จะนำนางกุมาริกามาให้เจ้าบุตรแม่ อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันจะปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิตมารดาพ่อเจ้าคนเดียวทำการงานอยู่ทั้งที่นาและที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่มีความสบายใจเลยแม่จักนำนางกุ ม, มาริกามาให้เจ้าเขาแม่ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วได้นิ่งเสียมารดานั้นออกจากเรือน เพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งลำดับนั้นบุตรถามมารดาว่าแม่จะไปตระกูลไหนเมื่อมารดาบอกว่าจะไปตระกูลชื่อน้นดังนี้แล้วห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้วบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาได้ไปตระกูลนั้นมันนางกุมาริกาไว้แล้วกาหนดวันแต่งงาน นำนางกุมาริกาคนนั้นมาได้ทาไว้ในเรือนของบุตรนางกุมาริกานั้นได้เป็นหญิงหมันที่นั้นมารดาจึงพูดกับบุตรว่าพ่อเจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้วบัดนี้นางกุมาริกานั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมชิบหาย ประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปเพราะฉะนั้นแม่จกนํานางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าแม่บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยแม่ดังนี้ก็ยังได้กล่าวอย่างนั้นบ่อยๆหญิงหมันได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้บัดนี้ แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นผู้ไม่เป็นหมันมาแล้วก็จะใช้เราอย่างท่าสีท่ากระไรเราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเองดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งของนางกุมาริกาเพื่อประโยชน์แก่สามีถูกพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าหล่อนพูดอะไรเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงอ้อนวอนว่า ฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมฉิบหายบุตรีของท่านได้บุตรแล้วจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติขอท่านโปรดยกบุตรีนั้นให้แก่สามีของฉันเถิดดังนี้แล้วยังตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้วจึงนำมาไว้ในเรือนของสามีต่อมาหญิงหมันนั้นได้มีความปริวิตกว่า ถ้านางคนนี้จะได้บุตรหรือบุตรีไซจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียวควรเราจะทำนางอยากให้ได้ทารกเลยตอนเมียหลวงปรุงยาทำลายคันเมียน้อยลำดับนั้นหญิงหมันจึงพูดกับนางนั้นว่าคันตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อใด ขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้นนางนั้นรับว่าจะเมื่อคันตั้งแล้วได้บอกแก่หญิงหมันนั้นส่วนหญิงหมันนั้นแลให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิดภายหลังนางได้ให้ยาสำหรับทำคันให้ตกปนกับอาหารแก่นางนั้นคันก็ตกในวงเล็บแทง เมื่อคันตั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้นแม้หญิงหมันก็ได้ทำคันให้ตกด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแลเป็นครั้งที่สองลำดับนั้นพวกหญิงที่คุ้นเคยกันได้ถามนาง น, นั้นว่าหญิงร่วมสามีทำอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่นางแจ้งความนั้นแล้วถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่า หญิงอันตพานเหตุไรหล่อนจึงได้ทำอย่างนั้นเล่าหญิงหมานนี้ได้ประกอบยาสำหรับทำคันให้ตกให้แก่หล่อนเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคันของหล่อนจึงตกหล่อนจะได้ทำอย่างนี้อีกในครั้งที่สามนางจึงไม่ได้บอกต่อมาหญิงหมานเห็นท้องของนางนั้นแล้วจึงกล่าวว่า เหตุไรหล่อนจึงไม่บอกความที่คันตั้งแก่ฉันเมื่อนางนั้นกล่าวว่าหล่อนนำฉันมาแล้วทำคันให้ตกไปเสียถึงสองครั้งแล้วฉันจะบอกแก่หล่อนทำไมจึงคิดว่าบัดนี้เราชิบหายแล้วคอยดูแลความประมาทของนางกุมาริกานั้นอยู่เมื่อคันแก่เต็มที่แล้วจึงได้ช่องได้ประกอบยาให้แล้ว คันไม่อาจตกเพราะคันแก่จึงนอนขวางเวทนากล้าแข็งได้เกิดขึ้นนางถึงความสงสัยในชีวิตนางตั้งความปรารถนาว่าเราถูกมันให้ชิบหายแล้วมันเองนำเรามาทาทารกให้ชิบหายถึงสามคนแล้วบัดนี้เราเองก็จะชิบหายบัดนี้เราจุติจากอัตภาพนี้ เพิ่งเกิดเป็นนางยักษิซีนีอาจเคี้ยวกินทารกของมันเถิดดังนี้แล้วตายไปเกิดเป็นแม่แมว แ, แนวเรือนนั่นเองฝ่ายสามีจับหญิงหมันแล้วกล่าวว่าเจ้าได้ทําการตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนดังนี้แล้วทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้วหญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นแล แล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันตอนผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจผูกเวรจำเนียนการไม่นานแม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟองแม่แมวมากินฟองไก่เหล่านั้นเสียถึงครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียเหมือนกันแม่ไก่ทำความปรารถนาว่า มันกินฟองของเราถึง3มครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็อยากกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุติจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วจุติจากอัตภาพนั้นได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแ ม, แม่แมวได้เกิดเป็นแม่เนื้อในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วคลอดลูกแล้ว แม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเราแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันจะกินตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เราจุตีจากอัตภาพนี้แล้วพึงได้กินมันกับลูกของมันเถิดดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษิซี ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีนางถึงความเจริญแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึ่งนางยักษินีจำแรงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้วถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน พวกชาวบ้านได้บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ในห้องนางยักษินีฟังคำนั้นแซงพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันจะดูเด็กนั้นดังนี้แล้วเข้าไปทำเป็นแลดูอยู่จับทารกกินแล้วก็ไปถึงในหนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนกันในคนที่สาม นางกุลธิดามีขั้นแก่เรียกสามีมาแล้วบอกว่านายนางยักษินีตนหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้สองคนแล้วไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันคลอดบุตรดังนี้แล้วไปสู่เรือนแห่งตระกูลคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษินีนั้นถึงคราวส่งน้ำ ด้วยว่านางยักษินีทั้งหลายต้องตักน้ําจากสะอโนดาตทูลบนศีรษะมาเพื่อท้าเวสวร์ตามวาระต่อล่วงเวลาสี่เดือนบ้างห้าเดือนบ้างจึงพ้นจากเวนได้นางยักษินีเหล่าอื่นมีกายบอบช้าถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีส่วนนางยักษินีนั้นพอพ้นจากเวนส่งน้ำแล้วเท่านั้น ก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านบอกว่าท่านจะพบเขาที่ไหนนางยักษินีตนหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้เพราะฉะนั้นเขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลนางยักษินีนั้นคิดว่าเขาไปในที่ไหนที่ไหนก็ตามเถิดจกไม่พ้นเราได้ แต่นี้แล้วอันกำลังเวนให้อุตสาหะแล้ววิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมืองฝ่ายนางกุลธิดาในวันเป็นที่รับชื่อให้ทารกนั้นอาบน้ำตั้งชื่อแล้วกล่าวกับสามีว่านายเดี๋ยวนี้เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิดอุ้มบุตรไปกับสามี ตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหารหมอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสระบกครณีข้างวิหารแล้วขึ้นมารับเอาบุตรเมื่อสามีกำลังอาบน้ำอยู่ยืนให้บุตรดื่มนมและเห็นนางยักษิศีมาอยู่จำได้แล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่านายมาเร็วมาเร็วเถิด นี้นางยักษณีตนนั้นดังนี้แล้วไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นมาได้วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้วตอนเวนไม่ระ ง, งับด้วยเวนแต่ระ ง, งับได้ด้วยไม่ผูกเวนในสมัยนั้นพระศา ส, สดาทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัทนางกุลธิดานั้น ให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระองค์เถิดสุมมณเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างในพระสัสดารับสั่งเรียกพระอาณ น, นทิรามาแล้วตรัสว่าอานน เธอจงไปเรียกนางยักษณีนั้นมาประเถระเรียกนางยักษณีมาแล้วนางกุลธิดากราบทูลว่าข้าแต่พรงค์ผู้เจริญนางยักษณีนี้มาพระศาสดาตรัสว่านางยักษณีจงมาเถิดเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยดังนี้แล้วได้ตรัสกันางยักษณีผู้มายืนอยู่แล้วว่า เหตุอะไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรของหมีกับไม้สครอและของกากับนกเขาเหตุไนพวกเจ้าจึงทำเวรแล้วเวรตอบแก่กัน เพรวย่อมระ ง, งับได้ด้วยความไม่มีเวนหาระ ง, งับได้ด้วยเวนไม่ดังนี้แล้วได้ตรัสพระกาถานี้ว่านหิเวเรณเวรานิซัมมันติทักกูดาจันังอะเวเรนาจะสัมมันติเอสะธรรมโมสนันตโนในการไหนไหนเวนทั้งหลายในโลกนี้ ย่อไม่ระงับด้วยเวเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวนทานี้เป็นของเก่าตอนแกะอักบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านะิเวเรนะเป็นต้นความว่าเหมือนอย่างว่าบุคคลแม้เมื่อ้ังที่ซึ่งเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาด มีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นแลย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่หมดจดหายกลิ่นเหม็นได้โดยที่แท้ที่นั้นกลับเป็นที่ไม่หมดจดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีกฉันใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ย่อมไม่อาจยังเวณให้ระงับด้วยเวณได้ โดยที่แท้เขาชื่อว่าทำเวนนั่นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเทียวแม้ในการไหนๆขึ้นชื่อว่าเวนทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวนโดยที่แท้ชื่อว่าย่อมเจริญอย่างเดียวด้วยประการชนีสองบทว่าอเวเรณนะจะสั้างมัณความว่าเหมือนอย่างว่า ของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้นอันบุคคลล้างด้วยน้าที่ใส ย, ย่อมหายหมดได้ทีนั้นย่อมเป็นที่หมดจดไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวรทั้งหลายย่อมระงับคือย่อมสงบได้แก่ย่อมถึงความไม่มีได้ด้วยความไม่มีเวรคือด้วยน้ำคือขันติและเมตตา ด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบคายและด้วยการพิจารณาฉันนั้นนั่นเดียวบาปพระกาถาว่าเอสะธรรมโมสนันตโนความว่าธรรมนี้คือที่นับว่าความสงบเวรด้วยความไม่มีเวรเป็นของเก่าคือเป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าและพระกีนาสศทั้งหลายทุกๆพระองค์ ดำเนินไปแล้วในการจบพระคถานางยักษินีนั้นตั้งอยู่ในพระโสดาปิตผลแล้วเทศนาได้มีคถามีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนนางยักษินีรู้ฝนมากฝนน้อยพระสัสดาได้ตรัสกัหญิงนั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแกนางยักษินีนี้เถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กลัวพระศัสดาเจ้าอย่ากลัวเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะอาศัยนางยักษินีนี้นางได้ให้บุตรแก่นางยักษินีนั้นแล้วนางยักษินีนั้นอุ้มทารกนั้นจูบกอดแล้วคืนให้แก่มารดาอีกก็เริ่มร้องไห้ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสถามนางยักษินีนั้นว่าอะไรนั่นนางยักษินีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์แม้สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยไม่เลือกทางยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรลำดับนั้นพระศาสดาตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่า เจ้าอย่าวิตกเลยดังนี้แล้วตรัสกับหญิงนั้นว่าเจ้าจงนำนางยักษินีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้วจงปฏิบัติ ด, ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีหญิงนั้นนำนางยักษินีไปแล้วให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปฏิบัติ ด, ด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมเข้าเปลือก ศากปรากฏแก่นางยักษินีนั้นดุดต่อยสีสาเขาจึงเรียกนางกุลธิดาผู้สหายมาแล้วพูดว่าฉันจกไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดแม้อันหญิงสหายนั้นให้พักอยู่ในที่เหล่านี้คือในโรงสากข้างตุ่มน้ำริมเตาไฟริมชายคา ริมกองหยากเยื่อริมประตูบ้านนางก็กล่าวว่าในโรงศักดนี้ศากย่อมปรากฏดุจต่อยศีรษะฉันอยู่ที่ข้างตุ่มน้ำนี้พวกเด็กย่อมราดน้ำเป็นเดนลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัขย่อมมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กย่อมทำสกรปรกที่ริมกองหยากเยื่อนี้ ชนทั้งหลายย่อมเทอยากเยื่อที่ริมประตูบ้านนี้พวกเด็กชาวบ้านย่อมเล่นการพนันกันด้วยคะแนนดังนี้แล้วได้ห้ามที่ทั้งพวกนั้นเสียครั้งนั้นยิงสหายจึงให้นางยักษิศีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้วนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดี ไปเพื่อ น, นางยักษ์ศีนั้นแล้วปฏิบัติในที่นั้นนางยักษ์ศีนั้นคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เรามากเอาเถเราจะทำความแทนคุณสักอย่างหนึ่งทั้งนี้แล้วได้บอกแก่หญิงสหายว่าในปีนี้จะมีฝนดีท่านจงทาข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้ฝนจกแรง ท่านจงทำาข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าอันพวกชนที่เหลือทำแล้วย่อมเสียหายด้วยน้ามากเกินไปบ้างด้วยน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินตอนนางยักษ์ศรีเริ่มตั้งสลักกพัดครั้งนั้นพวกชนที่เหลือเหล่านั้นพากันถามนางว่าแม่ ข้าวกล้าที่หล่อนทาแล้วย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำน้อยหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแรงแล้วจึงทำการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรหนอแลนางบอกว่านางยักษินีผู้เป็นสหายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแรงแก่ฉันฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอและที่ลุ่ม ตามคำของนางยักษินีนั้นเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโพชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นที่ฉันนำไปจากเรือนเนืองนิดหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นแม่พวกท่านก็จงนำโพชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดีไปให้นางยักษินีบ้างสิ นางยักษีนีก็จักแลดูการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้นพวกชาวเมืองทั้งสิน้นพากันทำส ก, การะแก่นางยักษีนีนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นมานางยักษีนีแม้นั้นแลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ได้เป็นผู้ถึงลาบอันเลิศและมีบริวารมากแล้วในการต่อมานางยักษีนีนั้น เริ่มตั้งสลากพัตรแปดที่แล้วสลากพัตนนั้นจนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แลเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษินี